สิกขาบทวิพังสามร้อยคำว่าถ้าภิกษุพักอยู่ในกองทัพ 2- ถึงสคืนคือภิกษุพักแรมอยู่ 2- ถึงสคืนที่ชื่อว่าสนามรบได้แก่สถานที่รบซึ่งปรากฏอยู่ที่ชื่อว่าที่พักพนได้แก่กองช้างประมาณเท่านี้กองม้าประมาณเท่านี้กองรถประมาณเท่านี้กองพลเดินเท้าประมาณเท่านี้ที่ชื่อว่าที่จัดขบวนทัพได้แก่ กองช้างจงอยู่ทางนี้กองม้าจงอยู่ทางนี้กองรถจงอยู่ทางนี้กองพลเดินเท้าจงอยู่ทางนี้ที่ชื่อว่ากองทัพได้แก่กองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพพลเดินเท้ากองทัพช้างมีช้างสามเชือกเป็นอย่างน้อยกองทัพม้ามีม้าสามตัวเป็นอย่างน้อยกองทัพรถมีรถสามคันเป็นอย่างน้อยกองทัพพลเดินเท้ามีทหารถือธนูสีนัยเป็นอย่างน้อย